ศีล ส, สมาธิปัญญาการอบรมสติปัญญาสมปาปัญญาอิทิบาทเป็นต้นเนี่ยคุณธรรมเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องเจริญเฉพาะตัวเป็นสิ่งที่ทําได้เฉพาะตัวจริงๆเรียกว่าสันทิทิโกทีนี้โดยเฉพาะอริยมรดุด้วยยิ่งสันทิทิโกเลยถ้าผู้ใดเจริญสิ่งนั้นน่ะประจักษ์แก่ผู้นั้นเองเนี่ยนะ <c oughs> อย่างเช่นความสบายใจเนี่ยนะทำเผื่อแทนกันได้ไหมศีลเนี่ยนำมาซึ่งความสบายใจใช่ไหมถ้าเรารักษาศีลมาดีนานเรา ช่วยรักษาใจคนอื่นให้เขาสบายใจได้ไหมไม่ได้จริงๆเพราะเป็นของเฉพาะตัวอะไรก็ตามในโลกนี้ถ้าเป็นของเฉพาะตัวนะไม่มีใครทาแทนได้จริงๆเช่นกินแทนกันได้ไหมพักผ่อนแทนกันได้ไหมทเที่ยวแทนกันได้ไม้มอะไรก็ตามที่เป็นของเฉพาะตัวเฉพาะตัวเนี่ยเผื่อกันไม่ได้เลยถึงจะหวังดีต่อกันตามใดก็ตามทาแทนกันไม่ได้ช่วยเหลือกันไม่ได้จริงๆเนี่ยนะ ก็ไม่งั้นก็เดี๋ยวเพนนี้จะฉันอาหารเผื่ออะไกันเอาไหมไม่เอานะเดียวไม่ยอมเลยนะให้พระฉันเผื่อไปก่อนนะถ้าถ้านนี้นะถ้าถ้าเผื่อกันได้นะมีคนไปเจ็บพอแทนเดี๋ยวต้องมาเอาค อ, อที่ไม่ปวดเนะี่ยมาพูดแทนแล้วนะั่นนะสันธิ่ที่โกเนี่ยเป็นโดยสภาวะหมายถึงมรรคผลนิพพานอย่างเดียวนะ สันทิธิโกอากาลิโกเอหิปสิโกโอปัญญิโกปัจจตังเวทิตัาโพวินโูหิโลกุตระอย่างเดียวคําว่าสวากขาโตนี้ทั้งโลกิยะเพราะปริยัติเนี่ยนะทั้งปริยัติทั้งปฏิบัติปฏิเวรเรียกว่าสวากขาโตหมดแหละแต่ถ้าสันทิธิโกเป็นต้นไปนะัเน้นไปที่โลกุตระธรรมเพราะโลกุตระธรรมนี้เป็นของเฉพาะตัวจริงอากาลิโกเนี่ยนะเป็น เป็นการปฏิบัติถ้าส ม, มุทิาอรยิยมรรคจิตเกิดขึ้นนะอริยผลต้องเกิดขึ้นไม่มีกุศลธรรมใดที่ให้ผลเร็วเท่ามาขขรรคกุศลพลัสอากาลิโกนี่เป็นชื่อของอริยมรรคเนี่ยนะเป็นชื่อของอริยมรรคเพราะอริยมรรคนี้เวลาเกิดขึ้นแล้วให้ผลไม่มีการแต่สมัยนี้กลายเป็นว่าเอาคําว่าอากาลิโกมาที่บายว่าเนี่ยตอนนี้ก็ปฏิบัติได้นะอันนี้คือคือแล้วก็ ไปกล่าวบอกกับท่านผู้หนึ่งที่เป็นนักเขียนว่าไอคําว่าสันธิฏฐิโอกอาคาริโกเอหิปสิโกโอปนายโกปัจจตังเวทิตัพโววินโยหีเป็นคําที่ท่านอธิบายโลกุตระนะท่านก็บอกเออตามหลักการบอกว่าอธิบายโลกุตระแต่เราน่าจะมาประยุกต์อธิบายเป็นโลกิยะก็ได้ก็เลยอธิบายให้เป็นโลกิยาวันอาคาลิโกคืออะไร เช่นจะปฏิบัติก็ปฏิบัติตอนนี้เลยละเลิอกอะไรก็ว่าไปเนี่ยนะก็เลยเอามาที่บายเป็นเป็นอย่างนี้ไปเลยเอาคําว่าอักาลิโกมาที่บายกับเรื่องทั่วๆไปแล้วเอามั่วกันหมดเลยแค่นี้ยุ่งมากเลยแค่นี้แต่ทีนี้ถ้าคายุ่งๆแล้วมาถามเรานะโอ้เรานีเหนื่อยใจเลยเนี่ยนะฉันอักาลิโกเนี่ยใช้กับอริยมรรคเนี่ยนะเช่นสมาธิมานันตริกันยมาโหสมาธินาเตนะสโม เป็นตนน้นเนีที่บอกว่าสมาธิที่ให้ผลไม่มีระหว่างขั้นสมาธิอื่นจะเสมอด้วยสมาธินี้ไม่มีอันนี้เป็นคุณของพระธรรมในนะในรัตนสูตรนั้นหมายถึงมรรคสมาธิเมื่อมรรคสมาธิเกิดแล้วผลสมาธิก็ต้องเกิดทันทีซึ่งไม่เหมือนจากอย่างอื่นใช่ไหมกรรมทั่วๆไปที่เป็นทิฏฐธรรมเวชนิยกรรมอุปชาเวชนียกรรมอัปาปาระเวชนิยกรรมเนี่ยกรรมทั้งหลายโดยมากมันจะให้ผลในลักษณะนั้นใช่ไหม เช่นดวงที่หนึ่งให้ผลชาตินี้ดวงที่เจ็ดให้ผลชาติหน้าสองถึงหกให้ผลในชาติที่สามเป็นต้นไปถึงให้ผลชาตินี้ก็อย่างเร็วที่สุดก็เจ็ดวันนะทําให้ทานและให้ผลตายในเจ็ดวันคืออะไรก็ทานที่หนึ่งหนึ่งผู้รับต้องเป็นพระอริยะบุคคลระดับพระนาคามีหรือพระอรหันต์สองท่านต้องพึ่งออกจากนิโรธสมาบัติสาม าทายธรรมของทายกนั้นได้มาบริสุทธิ์แล้วก็เจตนาในการสามดีเยี่ยมเนี่ยนะได้องค์ประกอบอย่างนี้แล้วเนี่ยนะแล้วยางนสัมปยุทธ์ด้วยนะอันนี้จึงให้ผลได้ภายในเจดวันแต่ก็ไม่ใช่ว่าให้เร็วกระทำหันหแบบมัดถ้ามัดเนี่ยมัดเกิดขึ้นปั๊บผลจิตเกิดขึ้นในวิถีเดียวกันในขณะถัด ก, กันเลยอย่างนี้เรียกว่าอกกาลิโก มัคจิตเกิดขึ้นผลจิตกุศลตัวนั้นเนี่ยยิ่งใหญ่มากเรียกว่าอนันตระกรรมะเนี่ยนะเป็นกรรมที่ให้ผลไม่มีอะไรมาขั้นเลยมันถ้าใครอบรมนะอันนี้เรียกว่าอากาลิโกเพราะฉะนั้นถ้ามัคจิตเกิดขึ้นแล้วก็ผลจิตแต่ว่าสมัยใหม่อธิบายเป็นว่าปฏิบัติที่ไหนก็ได้ไม่จํากัดการะนะแล้วเอาคำเนี่ยไปอธิบายกับทุกเรื่องอันนี้มันมันเสียหาย คือระเบียบแบบแผนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าวางเอาไว้เนี่ยนะยังไงก็ต้องเป็นสวักขาโตถ้าเราเอาเรื่องหนึ่งไปอธิบายอีกเรื่องหนึ่งเอาที่เอาเรื่องหนึ่งอธิบายไปเรื่องหนึ่งก็ยุ่งไปหมดเลยนะเหมือนเอาชื่อกรุงเทพไปแปะทุกจังหวัดนี่นี้จังหวัดกรุงเทพนี้จังหวัดกรุงเทพนี้จังหวัดกรุงเทพนี้ก็กรุงเทพนีพ้ก็กรุงเทพเพราะอยู่ในเขตประเทศไทยอย่างเงี้ยปั้นเขียนกรุงเทพได้ทุกแห่งนะอะไรจะเกิดขึ้นบ้านเมืองนี่นะ ขับราะเนี่ยอกกรุงเทพอีกห้าสิกิโไปเรื่อยเรื่อยเรื่อนี่ไม่เน่นีออกสงายโกลกไปเรียบร้อยแล้วนึกว่ากรุงเทพมันก็ไม่ใช่นี่ก็เหมือนการมันสวากขาโต้ถ้อยคำเนี่ยนะคำไหนอธิบายเรื่องอะไรก็ควรจํากัดความอยู่เฉพาะเรื่องนั้นเรื่องไหนอธิบายไว้หลายในก็ว่าไปหลายในไปแต่ถ้าเราเอามาปนเอาคําเดียวกันเช่นอากาลิโกไปใช้กับทุกเรื่องเนี่ยนะเสียหายมาก แต่ความเสียหายเหล่านี้มันมันเป็นนามธรรมอ่ะนะ <c oughs> เขาไม่รู้เสียหายยังไงเสียหายจนเขาบรรลุมรรคผลนิพพานไม่ได้อันนั้นแหละคือไม่มีอะไรจะเสียหายขนาด น, นี้แล้วเสียหายถึงขนาดไม่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานดีไม่ดีไปอาบายด้วยซ้ําไปเนี่ยอันนี้มันเสียหายขนาดไหนแต่คนผานมองไม่เห็นนะคนผานมองไม่เห็นก็เลยนึกว่าไม่มีอะไรก็อิทธิบาทเนี่ยเป็นบาศของอิทธิบาทนี่อยู่ในโพธิปัฏฐิยธรรมใช่ไหม โพ ธ, ธิปัจขยธรรมนี้แปลว่าธรรมที่อยู่ในฝักฝ่ายแห่งการตรัสรู้มีอันประกอบไปด้วยสติประธานสี่สัมมาประธาน4อิทธิบาทสี่อินทรีห้าพละห้ า, 5, พา 5, โพชฌงเจ็ดอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8กูโซลธรรมเหล่านี้อยู่ในฝักฝ่ายแห่งการตรัสรู้รผู้ที่จะตรัสรู้ได้มีฉันท่าเป็นเป็นบาทก็ได้ที่จะทําให้บรรลุหรือมีวิริยะเป็นบาท มีจิตเป็นบาหรือมีปัญญาเป็นบาตทําให้เกิดอิทธิเนี่ยทำให้เกิดฤทธิ์ที่จะสามารถทําให้ตรัสรู้อริยสัจได้แต่ทีนี้ถ้าเอาอิทธิบาทมาอธิบายเป็นอธิบดีนี่ก็ยุ่งมากเพราะอาธิบดีนี้ทั้งกุศลอกุศลก็เรียกว่าเป็นอธิปฏีอธิบดีมีสี่ใช่ไหมฉันทะวิรยิยะจิตตาและวิมังสาถ้าวิปังวิมังสาเป็นเรื่องของปัญญาโดยอย่างเดียวแต่ถ้าฉันท์ทเนี่ยนะฉันท์ท่ที่เป็นฉันท์ท่เจตสิกซึ่งเกิดร่วมกับกุศลก็ได้ อกุศลก็ได้บางคนมีฉันทะมากเตะฟุตบอลทั้งวันทั้งคืนเนี่ยไงเล่นเกมอยู่ได้ทั้งวันทั้งคืนเนี่ยมีความสุขมากอันนี้อันนี้ก็เป็นฉันท่าที่เป็นอธิบดีแต่ไม่ใช่ฉันฉันทิฐิบาต ท, ที่เป็นธรรมที่จะทําให้ปรารู้เช่นบางคนนี่ขยันอชอบจริงๆเลยนะทำแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องไม่เสร็จไม่เลิกเป็นต้นหรือบางคนนี่เพียรจริงๆเลยแต่ว่าความเพียรอันนั้นไม่ได้เป็นไปเพื่ออ อ, อกจากวัฏจัก นันอิธิบาทนั้นหลักการเนี่ยเป็นอิธิบาทที่เป็นบาทร์เป็นไปเพื่อการตรัสรู้ไม่ใช่ว่าเอามาเนี่ยใครอยากทํางานให้สําเร็จก็เอาอิทธิบาทไปอันนี้ไม่ใช่อิธิบาทนะอันนี้เป็นอธิบดีแต่ว่าเอาอิธิบาทที่เป็นธรรมเพื่อความพ้นทุกมาอธิบายเป็นอธิบดีก็เลยเสียหายอันนี้คือการใส่หัวข้อผิดเนี่ยนะคือตัวเองกําลังอธิบายอธิบดีอยู่แต่ใส่ในนามอิธิบาท อย่างๆคล้ายๆกับสมัยนี้บอกว่าเผยแผ่ลับที่ตัวเองแต่ในนามพระพุทธศาสนาอันนี้มันลักษณะเดียวกันเอาหัวข้อธรรมไปใช้ผิดประเภทก็ลักษณะเดียวกันเนี่ยนะแสวงนะจริงๆแล้วทําเพื่อข้าพเจ้าแต่เผยแผ่ในนามพระพุทธเจ้าเนี่ยนะก็บอกว่าเพื่อพระพุทธเจ้ากับเพื่อข้าพเจ้ามันใกล้ๆกันใช่ไหมแต่ทีนี้ไม่รู้ว่าเพื่อใครกันแน่แต่ว่าอ้างในนามเพื่อพระพุทธเจ้าแต่ทุกอย่างเข้ากระเป๋าข้าพเจ้า กบผมเองก็เคยทักทวงนะแต่ว่าก็ถูกตอบกลับมาว่าควรจะนำธรรมะมาใช้กว้างขวางทำนองนั้นเนะี<ม>่ยครีบก็เลยเรื่องนี้ก็เลยเป็นไปทั้งประเทศแล้วนะแม้แต่ลงไปในตำราหรือว่าลงไปในคำสอนสอนนักเรียนทั่วไปในะอิทธิบาทเนี่ยทั่วไปเลยนะก็เป็นโทษของยุคสมัยจริงๆที่ การศึกษาพระธรรมในยุคนี้เนี่ยนะมันเหมือนกับมาก็เอาว่าใครที่เรียกว่าเล่นของเก่าจริงๆไม่มีใครทั้าพวกเราพวกเราเนี่ยเป็นนักของเก่าจริงๆเกี่ยวข้องกับของเก่าจริงๆเก่าถึงขนาดว่า2องพันกว่าปีไม่มีอะไรจะเก่าขนาดนี้แล้วใช่ไหมเก่ามากๆเลยนะจนสถานที่นี่อย่างเงี้ที่นั่นที่นี่เนี่ยที่แสดงเรื่องนี้เนี่ยนะบางทีแทบจะคนคว้าแทบไม่เจอแล้วมันเก่าแก่มากๆเลยนักเล่นของเก่าเนี่มีใครคฆ้าของเก่าถึงสองพันกว่าปีบ้างขนาดนี้เนี่ยนะ เว้นไว้แต่ของใหญ่หญตๆตัวโตเพราะนี่ตลาดตอนนี้ยมันคือตลาดของเก่าแท้จริงเนี่ยนะสองพันกว่าปีทีนี้ใครจะได้ไปเจอทุกอย่างมันเหมือนของแท้หมดอ่ะนะเหมือนของแท้ไปหมดดูเหมือนไปหมดที่นี้เราเอาอะไรหนอะเป็นเครื่องวัดมานี้ของแท้นั่นของเทียมเอาอะไรเป็นเครื่องวัดดีตอนนี้ก็จึงบอกว่าปริยัติอย่างเดียวไม่มีอย่างอื่นรอกเนี่ยนะ พัน้าเราจะบรรลุก็บรรลุลตามที่ปริยัตสอนนั่นแหละอย่าไปบรรลุอื่นจากนี้เลยเะนั้นการกล่าวธรรมะก็สรุปว่าในยุคนี้ก็ใช้กันจนไม่รู้อะไรเป็นอะไรไปแล้วมันสับสนปนเปนกันหมดเก่ากับใหม่ผสมกันไปหมดจนไม่รู้ว่าเอ๊ะพระพุทธเจ้าสอนไปทําไมก็ไม่รู้เนี่ยนะตัวเองนับถือพระพุทธศาสนาเป็นทําไมก็ไม่รู้เพราะนนหนักๆเข้าก็เลยเป็นยุคที่ไม่มีอะไรจะยุ่งเท่าขนาดนี้แนละ้วยุ่งอย่างนี้จนเสื่อมหมดจากโลกเนี่ยนะ นั้นของเราก็มันจะยุ่งบ้างแต่ยังไงก็อย่ า, อยาขออย่าพิ่งสับสนกันแล้วกันนะนะเาก็มีบางคนเขาบอกว่าเออเรื่องนี้นะมันซับซ้อนกันอยู่แต่ว่าไม่สับสนนะขอเรื่องที่ซับซ้อนยังไงก็ขออย่าพิ่งสับสนก็นแล้วกันถ้าสับสนเข้าเออเอาอะไรกันแน่เนี่ยถ้าอย่างนี้ก็คงกลับไปหาเ ก, กาะที่พึ่งๆ่งที่มั่นๆ่นคงหน่อยอย่างสมมุตินะถ้าอย่างเราเนี่ยเป็นผู้ที่ศึกษาหลายสํานักมากในยุคนี้ ใช่นะสำนักโน่นก็ไปสำนักนี่ก็เอาอันนั้นก็ดีอันนี้ก็ไม่เลวอันนั้นก็ใช้ได้แล้วอันนั้นก็ถูกใจไงนะแต่ถ้าลักษณะนี้ตกลงเอาไงกันแนมะ่ถ้ามาปรึกษาธรรมานะเขามาก็บอกว่าคุณศึกษาพระพุทธศาสนาใช่ไหมบอกใช่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรูอะไรและพระพุทธเจ้าสอนว่ายังไงบ้างนะนะกลับไปหาต้นเก่าเถอะกลับไปหาต้นเดิมไปหาที่คั่วเดิมดีกว่า ถ้ากลับไปหาขั้วเดิมแล้วก็ไปสืบสวนดูว่าพผ้ารหัสสมัยพุทธกาลเข้าบรรลุกันยังไงแล้วก็กลับไปหาพระรัตนตรั ย, ยคืนเนี่ยนะเราะยิ่งไปไกลเท่าไหร่นะมันก็ยิเลยอันนี้สุดกู่สุดที่จะเรียกกลับเนี่ยนะบางคนนี่ก็สุดที่จะเรียกกลับเหมือนกันบางคนเขาใช้คําว่าถึงมีอย่างอื่นถูกเขาก็คงกลับไม่ได้หรอกเพราะเขาถล่มลึกในเรื่องนี้ที่สุดแล้วเนี่ยนะก็บอของเราอย่าได้ขออย่าเราอย่าได้เป็นคนนั้นเลยนะเป็นคนที่กลับไปหาพระพุทธเจ้าไม่ได้นี่ถามว่าเสียหายไหมเสียหาย นะถึงตัวเองเนี่ยไม่ได้นับถือพระพุทธเจ้าแต่ขงแหม่มันอย่างว่านะโลกนี้ทิศถูปาทานนี่ยิ่งใหญ่มากเนีนะ <c oughs> <c oughs> ก็ไม่เป็นไระนะขอมาว่าทุกคนเนี่ยรับผิดชอบด้วยลําพังตัวเองกรร ม, มัสโกมหิกรร ม, มัธยาโตกรร ม, มโยนิ ي กรมมพันธุกรม ม, ป, ร ม, มปฏิสารโนนั้นทําไม่ได้ไปไหนก็ขอมาก็เอากรร ม, มสกตาไว้ก่อนละเขาทําอะไรก็จักสมควรแก่เหตุเนี่ยนะคือคือพวกนี้มันเป็นนิยามใช่ไหมเป็นธรรมดา เป็นธรรมชาตินะเป็นนิยามเป็นของแน่นอนเช่นพืชนิยามเนี่ยนะใครปลูกมะพร้าวมันก็ต้องให้ผลเป็นมะพร้าวจะให้ผลเป็นมะเดื่อไม่ได้อันนี้คือนิยามอย่างหนึ่งใช่เป็นอะไรนิยามพีช่นนิยามเนี่ยนะเอาพืชเช่นใดไปลงมันก็ลงอย่างนั้นอย่างมากถ้าใครตัดต่อพันได้มัน ก, มนก็มันก็อาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนตามการตัดต่อพันธุกรรมเนี่ยนะแต่ว่าโดยรวมๆ ว, ว่าถ้าพืชเช่นใดมันก็จะให้ผลเป็นเช่นนั้น นนไม่ใช่แบบที่พระเจ้าชาติศัตรูไปถามพวกสัญชัยเวรัตบุตรนิคร он, นนาตบุตรเป็นต้นบอกว่าข้าพระเจ้าถามมะม่วงไปตอบขนุนสมมาหอกอย่างเงี้ยไหมถามขนุนสมมาหอกไว้ตอบเรื่องมะม่วงในคนละอย่างอันถ้าปลูกเช่นใดแล้วพืชมันควรจะให้ผลเช่นนั้นอันใครหว่านพืชลงชนิดใดในกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของตนก็จะให้ผลเช่นนั้นเพราะกรรมทั้งหลายอันนะั้นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็เป็นกรรมชนิดหนึ่งเล่ห์ละอันะ และอะไรอีกที่เป็นของนิยามบ้างจิตตนิยามเช่นถ้าจิตดวงนี้เกิดจะถัดถัดถตามลําดับของเช่นจากครูทวามิถีโสตตาทวามิถีจิตดวงไหนเกิดก่อนหรือหลังเป็นต้นพวกนี้ก็เป็นจิตนิยามแล้วก็อุตุนิยามอุตุนิยามเช่นฤดูกาลทั้งหลายที่มันเป็นไปตามนั้นน่ะเรียกว่าอุตุนิยามแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือกรรมนิยามว่าไปแล้วใช่แล้วก็สุดท้ายก็คือธรรมนิยาม คืออะไรก็ตามที่เป็นนิยามนะไม่มีใครมีอํานาจในสิ่งนั้นอย่างแท้จริงเช่นทำมนิยามนะขอเธอสังขารที่เกิดมาแล้วอย่าแก่ที่แก่แล้วก็อย่าตายเป็นต้นเนี่ยมีใครขอได้ไหมขอสังขารจงเที่ยงสังขารจงเป็นสุขรำรจงเป็นอัตตาใครทําได้บ้างทำมนิยามเหล่านี้ไม่ได้จิตตนิยามนะใครบอกว่าขอให้จิตเนี่ยเกิดหยุดอยู่แค่จกักปูวิญญาณอย่าต่ออีกเลย แล้วต่อให้ชาวนะต่อในจักขูวิญญาณทันทีมีใครทําได้ไหมไม่ได้เพราะนั่นเป็นจิตนิยามแล้วก็กรร ม, มานิยามก็ลักษณะเดียวกันมันทุกคนก็รับผิดชอบด้วยตัวเองเนี่ยนะก็อย่างว่านะวัตตาเนี่ยทุกคนรับผิดชอบด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นให้เราทบทวนหน่อยนิสม嘎มกันังเสยโยใคร่ครวนซะก่อนจึงทําเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในโลกเพราะเราต้องรับผิดชอบด้วยตัวของเราจริงๆ เพราะสิ่งเหล่านี้เมื่อเราพิรับผิดชอบด้วยตัวของเราเองถ้าเราไม่สอบสวนเราก็ขลังผ้านะสะรุปมายืนอยู่จุดเดิมอีกครั้งว่าทุกคนรับผิดชอบด้วยตัวเองมันจะไปอบายไปสู่สุขติจะดับขันปริณิพานหรือจะเฝ้าวัตะรับผิดชอบด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นเราเนี่ยตอนนี้จิตใจของเรามีอะไรเป็นที่พึ่งละ่ะก็ย้อนว่าพู้ทางสารนังข้าฉามิทำมังสังขังสารนังข้าฉามิเราก็คงกลับไปย้อนไป ต, ตรงนั้นว่านั่นคือที่ พึ่งที่สูงสุดที่เราจะพึ่งได้เนี่ยนะส่วนบุคคลอื่นที่จะเราไปเกี่ยวข้องก็เพื่อจะให้เขาเนี่ยช่วยเราให้มีสารณะเขาจะช่วยเราได้เท่านั้นแหละแต่ถ้าหากว่าไปเอาเขาเป็นสารณะแล้วอันนี้เริ่มผิดเพี้ยนนะนะเริ่มพลาดไปแล้วเนี่ยนะก็ที่เรียกว่าอะไรนะจะไปขอความช่วยเหลือเขาเนี่ยช่วยเหลือพระอะไรนะจะไปขอความช่วยเหลือพระพุทธเจ้าอ่ะจากพระพุทธเจ้าผ่านเขาอ่ะหนักๆเขากลายเป็นไปขอพึ่งกับเขาไปเลยอันนี้ก็ เสียหายแล้วนะก็ผิดพลาดละเพราะพระรัตนตรัยเราต้องหนักแน่นและก็มั่นคงทีนี้ก็นี้ถ้าเราไม่ชอบศึกษาพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณบทเหล่านี้เราไม่ค่อยพยายามทําความเข้าใจนะเราไม่รู้หรอกว่าที่เราทําอยู่นี่ผิดหรือถูกเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นมาตรฐานก็ดังที่กล่าวแม้แต่เมื่อวานก็ยังกล่าวย้ําเสมอว่าคู่ที่บรรลุเป็นพระโสดาบันเนี่ยนะคือผู้มั่นคงใน พระพุทธเจ้าผู้ที่มั่นคงในพระธรรมผู้ที่มั่นคงในพระสงค์มีศีลที่ไม่ขาดไม่ดังไม่พร้อยไม่ตะลุเป็นศีลที่เป็นไทยเป็นต้นดังที่จะกล่าวต่อไปนั่นคือว่าที่สุดว่าผลที่เราได้รับมันคืออะไรแต่ถ้าเราไม่เป็นไปตามนั้นละ่ะอันนั้นอย่างสมัยใหม่นี้ก็พระโสดาบันไม่ใช่น้อยผ่านญาณมาเยอะแยะไปหมดเลยนะจนถึงญาณสิหกญาณอะไรก็ตามแต่แต่ว่าไม่รู้จักพระพุทธเจ้าเลย ไม่รู้จักจริงๆนะก็เป็นที่เรื่องที่น่าเห็นใจมากว่าแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะทุกคนก็มาด้วยกรรมเป็นของตนเพราะฉะนั้นเขาก็จะไปด้วยกรรมของของเขาของมาก็มาทําใจสบายแล้วตอนนี้ลงเรืองอยู่ก็ทําใจให้สบายก็ <laughs> <laughs> คือทุกอย่างทุกคนรับผิดชอบด้วยตัวของเขาเองทีนี้ถ้าหากว่าเขาเป็นอย่างอื่นแล้วเราจะช่วยอะไรเขาได้เห็นไนะ ก็เหมือนกับว่าหมอถึงจะพอรู้ยาอยู่บ้างถ้าคนไข้จะตายจริงๆแล้วหมอจะไปทําอะไรได้เนี่ยนะทีต่อไปนะว่าสันทิธิโกอากาลิโกทีนี้เอฮิปัสิโกบอกว่าควรเรียกให้บะให้ผู้อื่นนะท่านจงมาดูเถิดอันนี้ใครเรียกพระพุทธเจ้าเรียกเรียกใครเรียกพระปัญจวัคคีเรียกพระรย asa กยาาุลบุตรเรียกคนมีปัญญาให้มาดู แไปเรียกผิดคนมายุ่งมากเลยฟังะเอฮิปัสโกเนี่ยไปไปเรียกผู้มีปัญญาเนี่ยมาดูได้มาดูได้อะนะต้องต้องไปเรียกสมมุติว่าถ้าเราจะดูของละเอียดนี่ต้องให้คนตาดีมาดูใช่ไหมไม่ใช่ไปเอาคนตาถั่วตาเหลมาเนี่ยมันให้มองไอ้ของเลีย้ยละเอียดลึกๆดูไม่เห็นหรอกเพราะฉะนั้นก็เอฮิปัสโกควรเรียกให้ว่าท่านจงมาดูเถิดคือเพราะของนี้เป็นของดีจริงๆ มรรคผลนิพพานเป็นของดีเป็นของที่ทําให้ผู้ศึกษาปฏิบัติถึงความพ้นทุกข์ได้จึงควรเรียกให้เขามาดูไม่ใช่เรียกให้มาดูสิ่งที่แบบคนเห็นแล้วยี่งเลยนะไม่ใช่นะเช่นเรียกเข้าห้องน้าบางแห่งนะคุณมาริวัลกลับมากันแล้วยิ่งเลยไม่น่าเลยอย่างนั้นนะแต่นี้ก็ไม่ใช่อย่างนั้นเนี่ยนะเพราะมรรคผลนิพพานเป็นของที่สะอาดจริงๆเนี่ยนะเป็นของที่สะอาดบริสุทธิ์ปราศจากวัตตะ เป็นต้นเนี่ยั้นควรเรียกให้เขามาดูขณะเดียวกันจะต้องไปเรียกเป็นหน่อยนะเรียกให้ถูกคนหน่อยไปเรียกผิดคนน่จะลำบากนนเคยเจอในชาดกาเรื่องหนึ่งคำมาถึงทุกวันเนี่ยบอกว่าพระโพธิสัตว์นั่นแหละไปแสดงธรรมให้พระพระราชาฟังโอพระราชาเลื่อมใสามากให้บ้านสวยเลยนนยกหมู่บ้านให้บ้านสวยเลย แล้วก็อีกซูดเดียวกันไปเทศให้คนพายเรือฟังนะฟันร่วงเลยสลบเลยเพราะนี่คำว่าเรียกให้คนอื่นมาดูนี่ต้องเป็นหน่อยเหมือนกันนะถ้าไม่เป็นแล้วจะลำบาก <c oughs> อาจจะถูกด่ากลับมาก็ได้ทันคำว่าเอฮิปัสซิโกท่านจงมาดูเพราะสิ่งนี้เป็นของดีแล้วก็คนที่จะเรียกให้ใครดูก็ต้องดูคนหน่อยเหมือนกันส่วนโอโอปานยิโกเนี่ยโอปนยิกะ แต่ว่าควรน้อมเข้ามาสู่ตนเนี่ยด้วยภาวนาห ม, มายคือว่าศีลเนี่ยควรน้อมเข้ามาเกิดในจิตของตนใช่ไหมสมาธิก็ควรน้อมให้เกิดในจิตของตนปัญญาก็ควรน้อมให้เกิดในจิตของตนสติปทานก็ควรน้อมให้เกิดในจิตของตนสัมมาปทานอิธิบาทอินทรีย์พละโพชชงอริยมรตมีองค์แปดก็ควรน้อมอให้บังเกิดในจิตของตนคือกุศลธรรมทั้งหลายโดยมากเนี่ยเป็นอะไรเป็นเป็นเจตสิกนะ มัคคุศลเนี่ยนะโดยมากเป็นเจตสิกมีจิตติดที่บาสนี่แหละที่เป็นเป็นชื่อของจิตนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นควรน้อมกุศลจิตเหล่านี้ให้เกิดขึ้นในตนนะเช่นวิปัสนาจิตเนี่ยนะจิตที่เป็นไปกับวิปัสนาควรให้เกิดในจิตของตนฌานจิตก็ควรให้เกิดในจิตของตนแต่นี้หมายถึงโลกุตระจิตโลกุตระกุศลให้ควรบังเกิดขึ้นใน จิตของตนหมายคือว่าปกติพื้นเพทุกคนเป็นภวังใช่ไหมชาวนะนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่จรเข้ามาทีนี้ทำยังไงให้ให้ชาวนะที่เป็นโลกุตระจรเข้ามาโดยมีภวังของเราเป็นบาทนี่นะเพราะไอ้คำว่าโอปัยญโกเนี่ยควรน้อมให้เกิดขึ้นในความคิดของตนโดยเฉพาะมักกุศลผลกุศลเป็นต้นเนี่ยควรให้บังเกิดในชาวนะของตนให้ได้ อันนี้เรียกว่าโอปัญิโกควรน้อมให้มาเกิดเนี่ยนะไม่ไม่เหมือนกับพวกราคฆโทสะใช่ไหยอันนี้ไม่ต้องน้อมก็ได้มันเป็นมันเองเก่งมากอันนี้แต่ว่ามัคกุศลเนี่ยน้อมยังไงให้เกิดขึ้นในจิตของตนส่วนพระนิพพานเนี่ยโอปัญิโกเหมือนกันควรน้อมจิตของตนเข้าไปไปหาควรน้อมจิตของตนเข้าไปหาเช่นจกักขุควรน้อมจิตของของตนไปหาจากักขุนิโรธอย่างโซตะ อันนี้ไม่ต้องน้อมจิตไปหาเท่าไหร่เอ่อน้อมวิปั ส, สนาจิตไปหาใช่ไหมโสตนิโรดน้อมจิตในระดับสูงเนี่ยไปหาพระอ่อพวกพระนิพพานนี่ก็เป็นโอปัญิโกเหมือนกันแต่เป็นการน้อมจิตไปรู้นแต่ถ้าเป็นมรรคผลควรน้อมให้มีในจิตของตนอันนี้หมายหมายถึงโอปัญญิโก <c oughs> แบ่งเป็นสองกลุ่มเนะี่ย กลุมกุศลธรรมทั้งหลายควรให้มีในจิตของตนก็ชื่อว่าโอปัญิโกส่วนพระนิพพานก็ชื่อว่าโอปัยโกควรน้อมจิตของตนเข้าไปไปหานะน้อมจิตของตนไปหาจาักขุนิโรธโสตะนิโรธคาณะนิโรธเชิวหานิโรธกายานิโรธและมโนนิโรธเป็นต้นปัจจตังเวทีปับโภวินยูหิตอันนี้หมายถึงว่าอุคติตันยูก็พึงรู้ได้เฉพาะตน อนันอุคติตันยูก็รู้ได้วิปัญจิตันยูก็รู้ได้นัยยะบุคคลก็รู้ได้ปัทถะป ร, ะประมะก็รู้ได้ในชาติต่อไปอย่าง น, นชาตินี้รู้ไม่ได้หรอกเพราะเน้นในที่โลกุตระธรรมนะสันธิ่ที่โกอาคาริโ ก, กเอหิปสิโกโอปัยิโกปัจจตังเวทิตัพโววินโยเนันนี้หมายถึงโลกุตระธรรมนั้นโลกุตระธรรมนั้นอุคติตันยูรู้ได้วิปัญจิตันยูรู้ได้นัยยะบุคคลรู้ได้คือบรรลุได้ส่วนประเภท นยะป่ติป่าท่าปรมานี้ก็รู้ได้ในชาติต่อๆไปเดี่ยนะก็อีกไม่นานสักเท่าไหร่นะชาตินี้บรรลุและชาติหน้ายังก็มันนานนักอะนะก็รออีกหน่อยทำไมจะรอไม่ได้นะวัตตะอยู่มาตั้งนานแล้วเดี๋ยวะมันพวกป่าท่าปรมาก็อย่าพิ่งใจเร็วนักนะทําเหตุไวให้ดีเดี๋ยวบอาทำเหตุไว้ไม่ดีชาติหน้าบรรลุก็บรรลุใช่อีกนะก็ไม่ได้ว่าชาตินี้สะสมไม่ดีเลยนะอะไรนะเตรียมงานวันนี้ให้ดีพรุ่งนี้เราก็ออกเร็วกับเพื่อนอย่างเงี้ยใช่ไหม ก็เอาแบบนั้นเอาเนี่ยนะทีนี้คําไวัยพจน์คําไวัยพจน์ทั้งหมดโดยมากยกให้พระนิพพานเกือบทั้งหมดเลยนะเพราะเพราะว่าคําสอนที่ที่พระพุทธเจ้าสอนทั้งหมดมีจุดมุ่งหมายเป็นอันเดียวกันคือพระนิพพานอันเป็นประโยชน์สารเนี่ยนะถือว่ามีพระนิพพานเป็นที่อย่างลงมีพระนิพพานเป็นเป็นที่สุดอั้นคําที่เป็นไวัยพจน์โดยมากจะมาขยายพระนิพพาน เช่นคำว่ามัทนิมัทโนเห็นไะหเป็นที่หายจากความเมาปกติความเมาเนี่ยเมาหลายอย่างเลยกันเมาแบบหยาบๆหน่อยก็คือเมาในความเป็นหนุ่มเป็นสาวะนะคนส่วนหนึ่งที่ศึกษาไม่ศึกษาธรรมะเนี่ยเพราะความเมาตัวนี้นะบอกโอ้ยเขบอกว่าธรรมะนะให้คนแก่ๆไว้เรียนว่าบงั้นไปที่ไหนใครเรียกน้องชอบไหมล่ะชอบไหมไม่ชอบเนี่ยนะ ไปที่ไหนเด็กๆ เ, เรียกเราน้องเอาไหมไม่เอาเราแสดงว่าเราแก่แล้วอ่นะขนาดนั้นก็ยังไม่ยอมรับว่าตนแก่บอกก็รอแก่ๆก่อนค่อยไปเรียนก็นมีมีโยมคนหนึ่งอายุแก่เกือบห้าสิบแล้วก็บอกก็รอให้แก่หน่อยไปเรียนโอ้โหของฝานคนสอนเลยนะใครนาะจะไปสอนคนแก่พูดอย่างนี้โยมนู้ดเดี๋ยวเพิ่งเสียใจเลยมันไม่มีประโยชน์เพราะตอนนี้ก็กันยาไปแล้ว ตำแหน่งจะเลื่อนขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวนี้ยเป็นยายไหมเดี๋ยวก็เป็นทวดธรรมะเนี่ยถ้าคนที่เมาในความเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยก็ไม่ไม่ศึกษาก็าต้องรอให้ตัวเองรู้สึกว่าตัวเองแก่ก่อนค่อยๆศึกษาใช่ไหมแต่ว่าคนที่มาศึกษาเอายังอยู่วัยหนุ่มวัยสาวบอกคนพวกนี้เขาคิดถึงความตายบ่อยเนี่ยเนีขาคิดว่าเขาจะตายเพราะหนุ่มสาวก็ตายได้เขาก็เลยรีบเรียนศึกษาใช่ไหมแต่ถ้าใครคิดว่าโอ้ยังหนุ่มยังสาวอยู่ก็เอาไว้ก่อน มันแล้วก็เมาในอะไรอีกเมาในความไม่มีโรคเนี่ยนะเมาในความไม่มีโรคเมาในชีวิตเมาในชาติตระกูลเมาในความรู้ความสามารถเมาในรูปร่างผิวพรรณเมาในความเป็นเจ้าหมู่เจ้าคณะเมาในความเป็นหัวหน้าเมาในยศเมาในตําแหน่งอ่ะนะพวกความเมาเหล่านี้จริงๆแล้วทําให้ไม่ศึกษาพระธรรมเนี่ยนะ อย่างก็อย่างที่เขาบอกว่าเอา้าทําไมไม่ไปชวนคนนั้นมาฟังทำด้วยล่ะบอกถ้าไปชวนให้เข้ามาบรรยายอ่ะได้แต่ชวนให้เข้ามาฟังอะไม่ได้ น, นะถ้าคุณยมเขาเล่านะมาเออไม่ธรรมาดาเหมือนกั น, เ, นเขามีเขาเล่ากันก น, นะบอกว่าถ้าชวนให้เข้ามาพูดอะได้แต่ว่าชวนให้เข้ามาฟังอะไม่ได้ก็ก็อาศัยความเมาอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่นั้นผู้ที่เมาอยู่ด้วยอํานาจของบาปอากุศลเหล่านี้เมาด้วยอํานาจราคะเป็นต้นเนี่ยก็ยาก ทีนี้ความเมาเนี่ยนะเมาในสังขารถ้าความเมาในสังขารก็เมาว่าสังขา น, นี่มันอีกนานนะว่าสรุปสรุปเนี่ยคือพื้นฐานเราเรื่องวิปลาสนั่นแหละเมาว่าเที่ยงเมาว่าสุขเมาว่างามเมาว่ายั่งยืน ก, กิเลสสารพัดกิเลสที่มันเกิดขึ้นก็เพราะเมาในอารมณ์นั้นๆว่าอารมณ์นั้นเที่ยงสุขงามยั่งยืนและตัวเองนี่มีอํานาจอย่างแท้จริงว่าตัวเองเป็นผู้มีอํานาจเช่นร่างกายตัวเองในตัวเองยังมีอํานาจคุมมันได้ เป็นต้นอันนี้เรียกว่าความเมาแต่ถ้าแทงตลอดพระนิพพานเป็นที่สางแห่งความเมาทุกชนิดความเมาเหล่านี้จะหายไปถ้าบรรลุพระนิพพานพระนิพพานเนี่ยนะมันไม่ใช่มีสังขารเป็นอารมณ์ใช่ไหมตัวตัวนิพพานไม่ใช่สังขารนั้นผู้ที่แทงตลอดพระสภาวะแห่งพระนิพพานจะเลิกเมาในสังขารทุกชนิดบางคนนะเขาก็าบอกว่าเขานี่เห็นพระนิพพานแล้วเขารู้จักพระนิพพาน ก็ลองถามก็ดูว่าสังขารมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เนี่ยนะตัวเองมีอํานาจอยู่หรือเปล่าเป็นต้นเนี่ยนะก็ก็บางกลุ่มนีนเขาถือว่าเขาเนี่เห็นพระนิพพานแล้วละ่ะแต่เขาถือว่าเขาเนี่มีตัวตนมีอัตตาอยู่เป็นต้นเนี่ยก็ยากเพราะว่าแสดงว่าสิ่งที่เขาเห็นเนี่ยไม่ใช่สภาวะแห่งพระนิพพานอย่างแท้จริงเพราะสภาวะแห่งพระนิพพานที่แท้จริงนี้จะเป็นที่สางแห่งความเมาเมาจาก นิจจาวิปลาสเมาจากสุขะวิปลาสเมาจากความสุภาพวิปลาสเมาจากอตัตตาวิปลาสเพราะผู้ที่ทางตลอดพระนิพพานจะเลิกเมาทั้งหมดปิปาสาวิเนโยเป็นที่กําจัดความกระหายคือตัณหาตัณหาเนี่ยนะสมมติทวารตาเนี่ยมันกระหายที่จะดูหูก็กระหายหรือหิ้วที่จะฟังจมูกกระหายที่จะรู้กลิ่นลิ้นก็กระหายที่จะ รู้รสกายก็กระหายหิวที่จะรับประทบโพธิภัยใจก็หิวที่จะคิดไปไม่มีเบื่อหน่ายไม่มีเต็มไม่มีตาเนี่ไม่มีใครถมเต็มอ่ะเขาบอกว่าตานี่เป็นเหมือนทะเลเห็นทะเลนึกถึงตาหูจมูกเล้นกายใจนี่ไม่ผิดเนี่ยนะนะเพราะมันถมไม่เต็มจริงๆใครดูดูซะให้พอดูดูรีบดูดูให้พอมีไหยจะพอมันบอกว่าเดี๋ยวดูอีกก็ได้เมื่ั้นดูแล้วดูอีกสิเมื่งงั้นอ่ะนะพันธ์จะเที่ยวมารอบโลกแล้ว พอแล้จะเลิกตั้งอันเที่ยวรอบโลกดูทุกอย่างแล้วปิดตาสักทีพอแล้วตั้งอันนี้ไปเอาพัสดเตอร์ปิดตาแล้วนะเลิกดูถาวรเคยเห็นไหมคุณขวัญเคยเห็นบ้างไหมไม่มีถมไม่เต็มจริงๆนะถวาวรตาเนี่ยไปเถอะตานี่ก็ถมไม่เต็มหูนี่ก็ถมไม่เต็มสังเกตดูเวลาตาจะหูตาตาจะเสียหูจะเสียนี่มันเดือดร้อนมากมาเลยนะเพราะมันกลัวกลัวไม่ได้เห็นกลัวไม่ได้ยินแต่ถ้าแทงตลอดพระนี่ผ่านแล้วหายหิวแบบนี้แล้ว